บทที่29หลวงพ่อจะค้างที่วัดไทยนารันทากี่คืนล่ะคะคืนเดียวพรุ่งนี้ชมมหาวิทยาลัยนารันทาแล้วก็จะเดินทางไปปัตนะและโยมละ่ะจะค้างที่วัดไทยพุทธคยากี่คืนสมภารวัดป่ามะม่วงถามอุบาสิกา ที่บอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดท่านสองคืนค่ะมรืนนี้จะเดินทางไปพาราณสีเป็นอย่างไรบ้างอินเดียกับบ้านเราเหมือนกันไหมต่างกันลิบลับเลยค่ะอินเดียลาบากมากนี่ถ้าหนูไม่เคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อคงทนไม่ได้การเข้ากรรมฐานเป็นการฝึกความอดทนหนูจริงอดทนได้ คิดซื้อว่ามาสร้างขันติบารมีแล้วเข็ดไหมคิดจะมาอีกรึเปล่าท่านถามอีกไม่เข็ดค่ะหนูคิดว่าจะมาทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยจริงๆนะคะหลวงพ่อถึงเมืองอินเดียจะเต็มไปด้วยขอทานและไม่เจริญเท่าบ้านเราแต่ก็เป็นที่ที่เราสัมผัสกับความสงบวิเวกได้ ทำให้คิดย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลว่าที่คนเขาบรรลุธรรมกันโดยไม่ยากนักเพราะสภาพแวดล้อมอำนวยบ้านเราหาที่สงบวิเวกแบบนี้ยากมากหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมคนทั่วโลกจึงหลั่งไหลามาที่อินเดียปีหนึ่งเป็นล้านล้านเพราะพวกเขาต้องการมาสัมผัสกับความสงบวิเวกนี่เอง อีกคนหนึ่งจึงช่วยเสริมว่าแล้วเวลานั่งวิปัสนาจิตตั้งมั่นได้เร็วมากหนูยังคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติอยู่ที่นี่สักหนึ่งปีจะต้องได้เป็นพระโสดาบันแน่แต่บางคนก็ไม่ต้องนั่งวิปัสนาก็ได้เป็นโสดาบันได้ท่านหมายถึงโยมเสียงใจบุญสามีของโยมผ่องใสใจบุญ จะเป็นไปได้อย่างไรล่ะคะหลวงพ่อคนที่จะสําเร็จมรรคผลจะต้องเจริญวิปัสนาไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อสอนหนูมาอย่างนี้หนูยังจำได้สงสัยหลวงพ่อจะลืมหล่อนยาวหลวงพ่อไม่ลืมเพรา ะ, จะเจริญสติทุกวันเป็นนิจจศีลคนที่จเจริญสติเป็นนิจจศีลจะมีสติดีไม่ลงลืมง่าย เมื่อรู้ว่าสตรีทั้งสองเคยมาเข้ากรรมฐานท่านจึงเปลี่ยนจากอาตมามาเป็นหลวงพ่อเพื่อแสดงถึงความคุ้นเคยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่เจริญสติทุกวันจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมคะหล่อนหมายถึงโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นแน่หากปฏิบัติได้ถึงขั้น แต่ถ้าปฏิบัติจิม จ, มจิมจำจำก็มีสิทธิ์เป็นได้นิมนต์หลวงพ่อเดินขึ้นเขาได้แล้วครับพระเจริญเดินมานิมนต์หลังจากให้เวลาคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปห้องสุขาก่อนที่จะขึ้นเขาจะได้ไม่ไปปัสสาวะบนเขาซึ่งเท่ากับไม่เคารพในพุทธสถานหลวงพ่อไปก่อนแล้วนะขอให้โยมเดินทางโดยความปลอดภยัย มากันกี่คนล่ะมาทัวอะไรท่านถามสองข้อในคราวเดียวกันเนื่องจากเวลามีน้อย29คนค่ะมาศรัทธาทัวหลวงพ่อละคะมากันกี่คนแล้วก็มาทัวอะไรหลอนคงจะเชี่ยวชาญการย้อนถามจึงย้อนถามท่านพระครูทุกครั้งที่ท่านถามหล่อน จำนวนเท่ากันแบ่งเป็นพระห้าโยมยี่สิบสีมาสุดที่ทำทั่วท่านพระครูตอบและจึงเดินไปเข้ากลุ่มอุปาสิกาทั้งสองกราบท่านแล้วก็เดินไปยังห้องสุขาที่คนในคณะของหล่อนยังยืนรอคิวอยู่เนื่องจากมีห้องน้ำเพียงสีห้องเก็บค่าบริการคนละหนึ่งรูปี สมภารวัดป่ามะม่วงบอกเคล็ดลับการขึ้นเขาว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยมากให้หายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือแล้วก็จากสะดือถึงจมูกท่านอธิบายแบบรวบรัดทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมยังไม่เข้าใจเด็กนมอายุ18ปดปีถามเขารับจ้างบิดามารดา มาแสวงบุญด้วยเงินสองแสนบาทเพื่อจะนำเงินไปทัวร์ยุโรปในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเหตุที่มาเพราะอยากได้เงินเขาจึงไม่สนใจเรื่องใดๆที่ได้รับฟังและเพราะผู้จัดให้นั่งหลังสุดเขาจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพิ่งจะรู้สึกดีก็ตอนที่จะขึ้นเขาคิชกูดซึ่งดูท้าทายความสามารถของเขา หมายความว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจายาวๆสูดอากาศเข้าไปในปอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงสะดือไหนลองทำสิหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าเพิ่งหายใจออกให้กักลมไว้ก่อนเขาพยายามทำหากก็ไม่สามารถกักลมไว้ได้เพราะไม่คุ้นเคย คนอื่นๆทั้งบัพชิตและเขาฤ ห, หัสก็ทำไม่ได้กันมีหลวงพ่อวัดดอนเมืองเท่านั้นที่ทำได้เพราะท่านเจริญอาาปานาสติอยู่เป็นประจำทำไม่ได้ครับเด็กหนุม่มบอกอีกเขาเริ่มจะสนใจเพราะการทำไม่ได้เป็นการท้าทายเขาเขาให้ความพยายามอีกอย่างหนึง่งเขารู้สึกศรัทธาในท่านพระครู หากก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับท่านเนื่องจากถูกจัดให้นั่งหลังสุดลองใหม่พอหายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจอย่าเพิ่งหายใจออกเสร็จแล้วให้ตั้งสติไว้ที่สะดือปล่อยลมจากสะดือกลับออกมาทางจมูก อย่าปล่อยออกทางเบื้องล่างนะประเดี๋ยวจะทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์ท่านพูดยิ้มยิ้มฉันปล่อยออกไปทีนึงแล้วละจะลวงพ่อมันกลั้นไม่อยู่จริงๆแม่ชีปวนสารภาพเสียงอ่อยไม่เป็นไรแล้วก่อแล้วกันไปขอให้ลองใหมย่ยอมเสียเวลาตรงนี้สักหนาทีแล้วค่อยไปทำเวลาตอนเดินขึ้น รับรองว่าได้กำไรมหาศาลคณะผู้สแสวงบุญพากันทำตามด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ช้าก็พอทำได้เพราะมีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่เอาละทีนี้เวลาเดินขึ้นให้กำหนดในใจว่าขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อย คือเท้าขวาก้าวก็กำหนดว่าขวาเท้าซ้ายก้าวก็กำหนดว่าซ้ายเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินก็จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยให้น้อยลงยิ่งถ้าใครเดินจงกรมเป็นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งอายุเจิบกว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ก็เดินจงกรมขึ้น พวกวัยรุ่นพากันวิ่งออกหน้าไปก่อนแล้วก็หันมามองพลางคิดตำหนดในใจว่ายายแก่คนนี้ไม่รู้จักเจียมสังขารพอดีเขาปฏิบัติมานานจนได้เห็นหนอจึงรู้ว่าถูกเด็กสบประมาทเข้าแล้วเขาก็คิดในใจว่าเอาเธอเดี๋ยวยายจะถึงยอดเขาก่อนพวกเธอพอเดินไปได้ครึ่งทาง ก็พบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้นั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ศาลาริมทางเงื่อไหลใครย้อยกันเลยเขาก็เดินจมกลมต่อไปจนถึงเกาะไปไหวพระสวดมนต์อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินลงปรากฏว่าเด็กกลุ่มนั้นเพิ่งจะถึงยอดเขาท่าทางอ่อนระหยรุ่ยแรง พอเขาเห็นว่ากำลังเดินลงโดยไม่มีท่าทางว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเลยพากันตั้งสมยาให้หมว่าเท่ามหาสัสจั์ที่เขารู้เพราะได้เห็นหนอหลวงพ่อครับผมอยากได้เห็นหนอต้องปฏิบัติกี่วันครับจึงจะได้เด็กหนุ่มถามอย่างสนใจแล้วแต่คนบางคนมาปฏิบัติเจ็ดวันก็ได้แล้ว แต่บางคนปฏิบัติ2 0ปีก็ยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนผมขอไปปฏิบัติกับหลวงพ่อนะครับเขาพูดด้วยศรัทธาคิดว่าหากได้เห็นหนอก็จะไม่ไปทัวร์ยุโรปแต่จะนำเงินจำนวน2แสนนั้นถวายหลวงพ่อองค์นี้เป็นค่าวิชาตกลงแต่ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติการขึ้นเขากันได้แล้ว ท่านบอกแล้วก็เดินนาหน้าคณะกระเป๋ารถสองคนเดินอยู่หลังสุดตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยเดินตรงกลางเมื่อเดินไปได้ประมาณครึ่งทางตำรวจรักษาความปลอดภัยก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนคณะผู้สแสวงบุญพากันหยุดเดินพวกผู้หญิงที่ขวัญอ่อนมีอาการตกใจคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้น พระเจริญที่คุ้นเคยกับตำรวจผู้นี้ดีจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนายอรุณรัศสมีเขาจะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศและพูดกับตำรวจผู้คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ว่าเชิญบรรยายได้ตำรวจร่างสูงใหญ่วัยสามสิบเศษจึงบรรยายด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่าที่ตรงนี้ พระเทวทัตกริ่งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้าแล้วหินก่อนนั้นอยู่ที่ไหนละ่ะท่านพระครูถามตำรวจวัยสามสิบทาหน้าที่สงสัยฟังไม่รู้เรื่องเขาเตรียมมาเท่าที่บรรยายได้เท่านั้นคือที่ตรงนี้พระเทวทัตกลิ่งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้านอกเหนือจากนี้เขาพูดไม่ได้จึงส่งภาษาฮินดีถามพระเจริญว่า ท่านพระครูพูดว่าอะไรพระเจริญบอกเป็นภาษาฮินดีเข้าใจคําถามแล้วเขาจึงตอบเป็นภาษาไทยสำเนียงแขกว่าไม่รู้ท่านพระครูจึงพูดแย่เข้าว่าไม่รู้และจะเป็นมกคุเทศใดอย่างไรต้องพูดว่าหินก้อนนั่นไปตกนรกอยู่เพราะได้ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตหอกขึ้น พระเจริญต้องทำหน้าที่แปลอังกฤษเป็นฮินดีอีกเพราะเขาไม่เข้าใจที่ต้องแปลเพราะท่านไม่ได้เรียนอย่างเป็นระบบจึงแปลไม่ได้แต่พอจะแปลให้พอสื่อสารกันรู้เรื่องได้ขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับผมได้ความรู้จากพระคุณเจ้ามาก จะได้นำไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นฟังเขาพูดภาษาฮินดีและขอให้พระเจริญแปลพระนมจึงแปลงให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกพระเจริญว่าช่วยบอกเขาว่าผมพูดเล่น อย่าได้นำไปพูดกับคนอื่นก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะไปตกนรกได้อย่างไรเล่าพระเจริญจึงต้องทำหน้าที่แปลงเป็นฮินดีอีกครั้งจากนั้นจึงเดินกันต่อไปจนถึงถ้ำสุกรัขาตาในอรุณรัศมีรีบบรรยายว่านี่คือถ้ำปากหมูที่อยู่ของพระสารีบุตร ทำหมูขุดไม่ใช่ทำปากหมูเพราะตามรูปสับแล้วขาตาะแปลว่าถูกขุดแล้วท่านพละครูแยงเขาไม่เข้าใจอีกเพราะเป็นประโยคที่ไม่ได้เตรียมมามกักคุเทธต้องทาหน้าที่แปลงอีกเขาเข้าใจแล้วในอรุณรัศสมีจึงพูดใหม่ว่านี่คือทำหมูขุดที่อยู่ของพระสารีบุตร ไม่ใช่หมูขุดพูดใหม่หมูขุดหมูขุดท่านพระครูทำหน้าที่เป็นครูหมูขุดหมูขุดมูขุดนายอรุณรัศมีออกเสียงจนกระทั่งพูดได้ถูกต้องเขานึกขอบคุณท่านพระครูที่ให้ความรู้แก่เขาท่ามสุกราขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม ขณะที่ถวายงานพัดแด่พระพุทธเจ้าซึ่งกำลังแสดงพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริฆหสูตรแก่ปริพาชกผู้เป็นหลานของท่านอาตมาได้บรรยายไปแล้วมีใครจำได้บ้างว่าปริพาชกคนนี้ชื่อและโคดว่าอะไรท่านพระครูถามคนเป็นแม่ชีจำไม่ได้แล้วล่าจะลงพ่อ แม่ชีปวนตอบพร้อมหอบหักเพราะความเหนื่อยทำไมถึงจำไม่ได้ละ่ะก็อาตมาพูดไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองแม้หลวงพ่อก็ที่เราสวดกันทุกเช้าไงละ่ะสัญญาอานิจจาและจะให้ชั้นจำได้อย่างไรแม่ชีพูดงอนๆชื่อทีคะนัก อัิเวศนาโคดแม่ชีท่องไว้นะทีคะนักขาแปลวะเล็บยาวสงสัยหมอนหนี่แกจะไว้เล็บหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยตอบแกไม่ได้ไว้เล็บหรอกครับหลวงพ่อแกไม่มีการไกรตัดเล็บต่างหากท่านพระครูยาวแกเหนื่อยคณะผู้แสวงบุญฟังแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยยกเว้นนายอรณุณรัศมีกับ นมกระเป๋าสองคนที่ฟังไม่รู้เรื่องจึงยังเหนื่อยอยู่เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงพระคันทกุดีทางชันหน่อยถ้าขึ้นไม่ไว้ให้รออยู่ที่ถ้ำสุกรักขาตานี่พระเจริญพูดพลางมองไปที่โยมผ่องไสและแม่ชีป่วนฉันมาจากประเทศไทยยังมาได้ และทำไมจะเดินไปถึงพระคันธกุดีไม่ได้ถ้าจะตายฉันก็อยอมโยมผ่องใสพูดด้วยใจศรัทธาฉันก็เหมือนกันถ้าตายก็ถือว่าได้บุญมากเพราะจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่นี่เลยแม่ชีป่วนยอมถวายชีวิตจากนั้นคณะผู้สแสวงบุญจึงเดินขึ้นไปจนถึงพระคันธกุดี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงพากันลงขาลงไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องระวังมีให้น่าขมามลงมาการสอนของท่านพระครูจึงยังประโยชน์ให้แก่ผู้สแสวงบุญคณะนี้เป็นอย่างมากเพราะทุกรูปทุกคนต่างก็ลงมาถึงเชิงเขาได้อย่างปลอดภัยและอิ่มบุญ ในอรุณรัศมีเดินลงมาถึงเชิงเขาเพราะรู้สึกศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักสมภารวัดป่ามะม่วงฉลองศรัทธาด้วยการให้รางวัลเข้าร้อยรูปีเขาดีใจจนน้ำตาไหลไหว้แล้วไหว้อีกหัวหน้าทัวให้เขาห0ิบรูปีเหมือนที่เคยให้วันนี้เขามีเงินกลับบ้านหลายร้อยรูปีทีเดียว เมื่อทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์นำรถมาจอดที่หน้าสวนไผ่อันร่มรื่นลงจากรถแล้วพระมกุเทศจึงเดินนำหน้าไปยังลานกว้างปู ด, ด้วยต้นหญ้าสีเขียวขจีท่านรู้ว่าบุคคลที่ทำหน้าที่บรรยายที่ดีที่สุดก็คือสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดพอสังเขตเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์มกุเทศว่าบัดนี้พวกเรา ได้มาถึงพระเวรุวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระพุทธองค์เมื่อ 2,573 ปีมาแล้วและที่พระเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งต่อมาเรียกกันว่ามาฆบูชาในโอกาสอันเป็นมงคล ที่พวกเราได้เดินทางมาถึงพุทธสถานแห่งนี้อาตมาจึงใครขออาราธนาหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายโอวาทปาติโมกให้พวกเราฟังด้วยขอกราบอาราธนาครับท่านพระครูจึงบรรยายโดยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเพราะจะใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ในรถเท่านั้นท่านอารัมพบทว่า นมัสการพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายอาตมารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อัญเชิญพระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายให้พระคุณเจ้าและญาติโยมฟังในวันนี้บัดนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในขอบเขตแหวนแค ว, น แ, วนแดนพระพุทธองค์ และที่ที่เราประชุมกันอยู่นี้ก็คือพระเวรุวันมหาวิหารในอดีตการนานมาเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งถวายโดยพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคตในสมัยนั้นทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายพระเวรุวันเพราะพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาไว้หประการ ตั้งแต่ยังทรงเป็นขัติยราชกุมารคือ 1. ขอให้ได้รับพระบรมราชาพิเศษเป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคต 2. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระกรุณาประทานธรรมเทศนาแด่พระองค์และ 5. ขอให้พระองค์ได้รู้ตัวถึงในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสรุปว่าพระองค์ทรงได้สมนโนรสตามที่ได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังให้หมดจดเป็นชั้นๆจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจอนุปพิกาานประการใดแก่ทานกถาพา น, นาธานสิลกาถาพา น, นาศีลสัค ก, กาถาพา น, นาสวรร์คือความสุขที่พรังพร้อมด้วยกาม กามาธินวกะถาพรรณน า, นาโทษของกามและประการสุดท้ายเนคข ม, มานิสังสกถาพรรณนาอนิสงส์แห่งการออกจากกามครันจบอนุปุภิกถาแล้วทรงแสดงอริยสัจสีซึ่งทุกท่านที่นี้ก็อสาบกันอยู่แล้วจึงจะไม่ขออกล่าวถึง แต่ฉันก็ยังไม่ทราบเลยจะล้งพ่อแม่ชีป่วนอุทธรผมก็ยังไม่ทราบครับเห็นแม่ชีกล้าบอกบุรุษที่แอบรักเขาข้างเดียวจึงบอกบ้างเอาละเรื่องอริยศาสตร์ีค่อยว่ากันเมื่อไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาขณะ น, นี้เราอยู่ที่พระเวลวน อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกจึงต้องพูดถึงก่อนท่านผู้ตัดบทจากนั้นจึงบรรยายต่อเมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลงพระเจ้าพิมพิสารข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งมืนคนก็ได้บรรลุโสดาปติพลอีกมืนคนเกิดความเลื่อมใสในพระลัตนาตรัย พระเจ้าพิมพิสารจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมโดยภิกษุบริวารพันองค์ซึ่งเคยนับถือไฟมาก่อนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาพระคุณทดถามขึ้นว่าที่เรียกพวกฉตินใช่ไหมครับผมเคยเรียนเกี่ยวกับฉตินสามพี่น้องพี่ชายคนโตชื่ออุรุเวลกัสปะน้องชายชื่อนทีกัสปะและขยากัสปะ พวกเขาสำคัญตนผิดคิดว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องทำลายทิฏฐิของพวกเขาโดยการใช้ริดปราบริดจนในที่สุดสตินสามพี่น้องและบริวารจึงยอมแพ้และขอบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตะปริยายาสูตรปโปรดภิกษุชตินยังผลให้ทุกท่านได้บรรลุอรหัตผล ท่านเกิดจำเรื่องที่เรียนมาได้หากไม่มาแสวงบุญในครั้งนี้ท่านก็ลืมไปแล้วท่านพระครูย่าว่าคณะของเราได้มักุเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคือพระขุนทดไม่แน่นะกว่าจะถึงวันกลับอาจจะมีพระโยมที่สามารถยึดอาชีพมักุเทศได้สบาย แม่ชีอยากเป็นมักคุเทศกับเขาบ้างไหมละ่ะท่านถามแม่ชีปวนอยากจะลงพ่อแต่ก็คงยากเพราะฉันขี่ลืมได้หน้าลืมหลังฉันคงไม่มีบุญอย่างลุงพ่อหรอกจ้ะแม่ชีพูดอย่างรู้ขอบเขตความสามารถของตนไม่มีก็สร้างได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองได้ โยมยังดีกว่าอาตมาที่ไม่เคยสร้างบาปมา ก, ก่อนอาตมาเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมมากมายเลอะเกินแต่พอบวชแล้วก็สร้างแต่บุญเวลาบาปมาให้ผลบุญก็ช่วยไว้ได้ตอนรถความคอหักถ้าไม่เพราะสร้างบุญไว้อาตมาก็ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหมอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อจัง น่มนต์หลวงพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมจ๊ะถ้าอยากฟังก็ต้องไปฟังที่วัดป่ามะม่วงโนนที่นี่เป็นแดนพุทธภูมิต้องฟังเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงพ่อครับบุญกับบาปหักลบกันได้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราทำกรรมชั่วมามากเรามาทำกรรมดีเพื่อหักล้างกรรมชั่วคนถามคือหนุ่มน้อยที่รับจ้างบิดามาสแสวงบุญ หนูถามดีมากเอาละหลวงพ่อจะบรรยายเรื่องโอวาทปาติโมกจบก่อนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังท่านบอกหนุ่มน้อย